แทบจะทุกวินาทีผัสาะคือการที่ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสและผัสสาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีใหม่ๆหเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาโดยเพราะการใช้ชีวิตในเมืองซึ่งมีสิ่งต่างๆไม่ว่าจะรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมากระทบอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจิตเราเนี่ยคุ้นชิน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 แต่แล้วพอรู้ตัวขึ้นมาก็เกิดไม่พอใจเกิดหงุนงิดขึ้นมาหงุดหงิดเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ทันในความหงุดหงิดนั้นก็เผลอปล่อยใจเข้าไปถลำเข้าไปในความหงุดหงิดเข้าไปอีกแล้วพอรู้ขึ้นมาได้ก็โมโหตัวว่าทําไมถึงงุดหงิดก็เกิดโกรธขึ้นมาแทนที่จะรู้ความโกรธก็ยังหลุดเข้าไปในความโกรธอีกเดินไปกันใหญ่เลยมันหลายซับหลายซ้อน อาจจะสองซอนสามซอนหรือสี่ซอนเข้าไปถ้าบางคนนี่โกรธตัวเองมากในสุดก็ถึงกับเอารองเท้าฟาดัวตัวเองหรือเอาหัวโคกเสาว่วาทํามันคิดมากเหลือเกินนี่ซ้อนที่สี่เข้าไปอีกคือเผลอเผลอทําร้ายตัวเองทีแรกเผลอคิดต่อลังเผลอหนุดหนิดที่แล้วตอนต่อมาก็เผลอโกรธตัวเองแล้วก็เผลอทําร้ายตัวเองสี่ซ้อนเข้าไปใหญ่ แลววนนี้ก็มันมีพื้นฐาน ม, มาจากความอยากจะควบคุมจิตหรือว่าความอยากดีติดดีนะคือตันหาโดยเพราะเรามาที่นี่อุตส่าห์เสียเวลามาก็มีความคาดหวังหวังผลสูงเพราะว่าการที่จะเปลีกยตัวเวลาปลีกเวลามาอย่างนี้นะมันก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนนะก็อยากจะให้มันได้ผลคุ้มค่านะต้องระวังไอ้คว่าคุ้ม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 เป็นสิ่งบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังวางจิตไว้ก็คือว่าเราจะตั้งใจมากไป๋ยากจะคิดว่าความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์เท่านั้นแงงที่เป็นอุปกรณ์ให้สติจะเลยงอกงามเมื่อเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นที่จิตของเราและขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องเตือนเราว่าเราวางจิตไว้ผิดแล้วต้องหย่อนต้องหย่อนลงมากว่านี้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 มันก็จะเอาของเก่าสำลอกออกมาทังที่เราเรียกเคี้ยวเอื้องเนี่ยหน้าเจตนี่มันไม่มีข้อมูลใหม่ๆรับเข้ามาเพราะไม่ได้ดูโทรทัศน์ไม่ได้เจอผู้คนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มันก็จะสำลอกเอาเรื่องราวเก่าๆออกมาคิดเพราะความคิดมันเป็นอาหารของใจอันหนึง่งอย่างที่บอกไว้แล้วมันเสพติดมันเสพติดความคิดอานิก็จะ